หลวงปู่ผู้เปิดโลกหลังความตายหนอิเกซาโรผู้เปิดโลกหลังความตายเขียน สุดท้ายมีความเชื่อกันว่าไปสิ้นสุดที่เชิงตะกอนมีความเชื่อกันว่าเมื่อคน ทั้งยังเป็นเรื่องราวที่ผู้คนไขหาคําตอบ วิญญาณโดยทั่วไปทั่วไปผีปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมากขึ้นแต่ คือวิญญาณของผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว 50 ปีที่แล้วที่แล้วราวปี เคยมีผู้ที่สามารถเชิญวิญญาณมีผู้ที่สามารถเชิญวิญญาณหรือที่เรียกๆดื่มเหล้า ที่กล่าวว่าวิญญาณสามารถดื่มกินได้จริงนี้เดินเหยียบย่ําเพื่อ เป็นเสียงที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์สามารถ คน. 30 คนและทุกคนต่างได้ยินเสียงของเราดวงวิญญาณชัด เคยมีโอกาสเข้าร่วมอยู่ในพิธีกรรมเชิญวิญญาณดังกล่าวนี้ หากจะนับอายุไขของท่านในโลกมนุษย์ถือว่าท่าน ล้วนมาผ่านญาณเพื่อโปรดสัตว์ชิ้นกันศิษย์ของหลวงทหารตำรวจดารานักแสดง เป็นที่รู้กันในหมู่ศิษย์ว่าเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าหยิบยกมาบอก เหตุผลเพราะว่าพิธีกรรมในครั้งนี้มีนักเขียนอาวุโสท่านหนึ่งเข้าร่วมพิธีกรรมด้วย ด้วยเหตุการณ์เชิญวิญญาณที่ 2505 ถึง 2506 แต่ท่าน 2516 ด้วยเรื่องราวของหลวงปู่เดินหงษ์ หากหรือคนหัวสมัยใหม่ที่ไม่เคยได้พบเห็นด้วยตนเองจะทําใจเชื่อถือเช่นชื่อเรื่องก็กล่าวเพียงว่าหลวงปู่ไม่ หลวงปู่ท่านไม่อนุญาตให้ใครนําท่านไปโฆษณาป่าว หากคนที่พามานั้นมาดีร้ายอย่างไรศิษย์ผู้นําพามาต้องรับ ไม่แสดงสนว่าเชื่อถืองมงายในเรื่อง เป็นเรื่องยากเป็นอย่างไรนั้นขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูอเถิดว่าอธิบายเพื่อจับพิรุธว่า เชื่อว่าเคยเกิดขึ้นจริงคนอาจลืมเลือนและไม่รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้เคยเกิด จัดพิมพ์โดยสถานีวิทยุ 01 ภาค 1 36 พิมพ์ 2517 จาก 8 หน้าที่ 95 ถึง 123 พิมพ์ 1 พุทธศักราช 2548 เมื่อ ก็มีท่านที่เคารพนับถือและเพื่อนฝูงๆให้ไปรู้ไปเห็นและมี และส่งเรื่องมาให้จํานวนมากซึ่งบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอแนะนําเรื่องที่ได้ เพื่อท่านจะได้ไม่หลงเชื่อลมลมแล้งๆดังเรื่องที่ได้เล่าต่อไปนี้ มีแม้จะไม่ต้องบอกชื่อไปได้จึงย้อนถามไปว่าแม้จะไม่ต้องบอกชื่อ ข้าพเจ้าเกิดฝรั่งเป็นเรื่องตกลงผมจะเอารถตามคุณตกลงตกลงบ่าย นำรถมารับข้าพเจ้าที่บ้านโดยมีคุณมนตรีติดตามมาด้วยคุณประพันธ์มีคนขับรถ รถวิ่งไม่สะดวกนักวิ่งไม่สะดวกนักรถได้ผ่านเข้าเขต จำได้เพียงว่าเมื่อออกจากทางแยกเข้าจังหวัด เราได้สนทนาไม่เห็นสองข้างทางเลยมาในรถอย่างสนุกสนานตลอดทางลืมมอง ถนนหรือตามหลังรถวิ่งไปมาไม่มีรถยนต์ รถเพราะต้องเสียเวลาเลยไปแล้วย้อนกลับมาอีกเราเดินทางมาถึงล่าสุดเป็นคันสุด ชั้นนายพลหลายท่านและทั้งข้าราชการบริเวณ มีไฟจุดสว่างสวยคล้ายงานออกร้านคืนนั้นรู้สึกว่าจะมีคนเช่นเป็ดย่างไก่ย่างอย่างละหลายตัวอาหารอื่น และทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตลงในเมืองกาญจนบุรีคนทรง เวลานั้นข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าผิดวินัยส่งหรือไม่ แล้วก็มานั่งขัดสมาธิพนมมือที่จัดอาสนะไว้มีหมอนอิงหลายใบรองรับอยู่ข้าง ครูหนึ่งก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมากลายเป็นคนแก่นั่งก้มๆย่านข้างมีๆเมื่อหลวงปู่เข้าส่ง เดิมตั้งแต่เข้าทรงคิดว่าหลวงปู่จะติดยาๆที่ ข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าชีบานาสงห์ไม่ควรสูบไม่รู้ว่าครั้งแรกใครรู้ว่าหลวงปู่ชอบสูบหีบหนึ่งเป็นร้อยๆบาทแต่ข้าพเจ้าก็ไม่พูดเพียงแต่ คงทนไม่ไหวที่ต้องสุกอยู่หลายชั่วโมงตาม เตรียมรู้สึกว่าคุณเชื้อสนใจมากให้เรียบร้อยรู้สึกว่าคุณเชื่อสน รินน้ำใส่แก้วให้ท่านบ่วนป่าคุณเสือก็รีบเปิดหีบนำซิก้ามาจุดแล้วส่งให้สู่พอร่างทรงหลวงปู่สูบซิก้าพ่นควันออกครู่ๆแล้วค่อยๆหันซ้ายหันขวาพูด คอยพิจารณาดูท่าทางการเข้าประทับส่งของหลวงปู่ตลอดเวลาแต่แล้วก็เห็นหลวงปู่สายตามองดูซ้าย เพราะเคยมาหาประจำทุกครั้งด้วยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงนั่งมองดูเฉยๆเมื่อเห็นว่าไม่มีใครสนใจหลวงปู่ ก็ได้รับคําตอบจากคุณเชื่อโดยการพยักๆคลานผู้ที่เออเจ้านี่สร้าง Oh รอไปก่อนแล้วท่านก็ให้ข้าพเจ้าก้มหัวลงแล้วก็เป่าลงในกลางกระหม่อมเสร็จแล้วท่านก็ให้โอวาทนั่งนอกวงล้อม ข้าพเจ้าก็ได้พยายามคอยสังเกตเห็นหลวงปู่เป่าหัวพรมน้ำมนต์แล้วผู้นั้นก็ทวง ลุ้นแต่เป็นพระต่างเป็นพระเก่าแท้และหายากกันองค์เล็กบ้างโตบ้างไม่ 1 องค์กว้าง 2 นิ้ว 3 นิ้วแล้วก็ ข้าพเจ้าได้นําพระองค์นั้นมาเก็บไว้ห้องพระที่บูชาไม่ได้ เมื่อท่านปลูกเสกแล้วผู้ที่สนิทชิดชอบกับคุณเชื้อก็ กอบกำไว้ใน 2 มือคู่เดียวก็ยกขึ้น ที่ข้าพเจ้าไปเห็นด้วยตาตนเองข้าพเจ้าขอย้อนกลับมาเล่าเรื่องในคืนสําคัญ แล้วก็รอบสองก็รอบ 2 รอบ 3 ส่วนพวกกรุงเทพฯเข้ารอบดึกสุดท้ายกว่าจะได้เข้าเวลาก็ผ่านตี 1 พอจะได้ยินเสียงคุณประพัทกระซิบหัวเราะกับคุณมนตรีและ ข้าพเจ้าได้ยินก็หันไปๆคักๆกันเพลินข้าพเจ้ารู้ดีว่าทั้งๆหากไม่มีเหตุผลพอแต่ เมื่อเอามือคลำกระเป๋าหลักรู้จักกันทั้งนั้นร้องออกมากระเป๋า จึงถามคุณมนตรีบอกว่ามีเอกสารอยู่ในนั้นด้วยไม่มีทางจะตกอะไรสําคัญอยู่ในกระเป๋าบ้างตกอยู่แถวข้าง ก็ได้ยินเสียงหลวงปู่ในร่างทรงกระเาะฮึฮึยังพอใจแล้วพูดต่อหน้าพวกเราว่ามันไม่หายไปไหนป่านเดี๋ยววิ่ง ข้าพเจ้าถามถึงกระเป๋าได้คืนมาหรือยังก็ได้ ผมเองก็เดินออกไปจากโบสถ์ก็ไม่รู้เหมือน ทุกสิ่งอยู่ครบเรียบร้อยไม่มีใครเปิดแตะต้องของในกระเป๋าเลยหลายท่านได้ยินแล้วก็รู้สึกตื่นเต้น แม้จนหมัดนี้เราก็ไม่สามารถคลี่ครายเหตุการคืนนั้นอย่างจำแจ้งได้แม้ผู้หญิงที่ยืนคอยยื่นกระเป Independ ให้คุณประพัสด์เห็นไม่ชัดรู้สึกว่ารูกร่างภมเมื่อได้กระเป๋าแล้วก็ดีใจตื่นเต้นเลยไม่ได้สังเกตหรือสนใจดูอะไรอีกเลยไม่ได้สังเก Extreme ต่างก็ไม่มีใครจบคิดปัญหานี้ออก <c oughs> ตราบที่ข้าพเจ้าได้นําเรื่องนี้มาเขียนขึ้น 2 ชั่วโมงภายนอกโบดความมืด เป็นเวลาที่ชาวบ้านชาวเมืองนอนหลับพักผ่อน ก็จุดต่อกันไปติดต่อกันไปเสียงหลวงปู่สั่งให้จัดแจ้งยกเครื่องสังเวย ขอเมื่อได้จัดการสั่งเสียการปฏิบัติเรียบร้อยทุกคนถือคําสั่งนี้ปฏิบัติอย่าง เมื่อความเงียบสงัดอากาศเยือกเย็นในเวลาค่อนรุ่มแล้วก็มืดสนิทไม่เห็นยังอุ่นใจที่รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว ยังมีพวกนั่งในที่มืดมองไม่ ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงลมพายุพัดออกนอกโบสถ์อู้ๆคล้ายจะเกิดพายุใหญ่ค่อยๆแรงขึ้นแล้วก็ค่อยลงเป็นระยะเสียงอยู่นอกโบสถ์เสียงหลวงปู่พูดขึ้นว่าปู่ แลมีๆพอได้ยินชัดเค้าอยู่ไกลวานี่เค้าเอาเครื่องขยายเสียงมาตั้งไว้ที่ไหนหรอกร่อเราหรือเปล่าเสียงกระซิบตอบค่อยๆว่ามีนี้ อย่าออกนอกสายศีลเป็นอันขาดจะเป็นอันตรายวิญญาณพวกนี้ดุร้ายก็มีที่สุภาพก็ ไปมาทั่วไปมากมายมากทั่วไปมากมายข้าพเจ้าได้ยินเสียง <ย อ! S 1> ได้เพื่อลองดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านผู้หนึ่งยื่นหัวออกมา เรื่องของการเส้นอาหารเลี้ยงวิญญาณของพวกทหารที่สูญเสียชีวิตในแต่ข้าพเจ้า เพราะหลายท่านก็ไม่ได้ยินเช่นกันหลายท่านก็ไม่ได้ยินเช่นกันเพียงแต่ มันจะสนุกกันใหญ่ไม่รู้ 1 ชั่วโมงกว่าเหตุการณ์ก็ได้ยุติ พวกเราได้ออกมาจุดเทียนที่หน้าพระประธานแสงเทียนพอให้เห็นพวกอาหารมีเป็ดไก่เหล้าและพวกจานชามวางเกะกะกระจัด น้อยบ้างมากบ้างมันเป็นเรื่องประหลาด แม้จะบางท่านก็ตื่นเต้นมองอะไรอยากรู้ก็อยากรู้เห็นอยู่แล้วก็ยัง เสียงโทกที่เข้ามาในโบดมากมายที่ตายในสงครามโลกครั้งที่ 2 จริงหรืออาหารเหล้าที่ที่อยากรู้อยากเห็นของแปลกๆ ไม่มีเครื่องขยายเสียงซ่อนไว้ในโบสถ์คนที่เสียงไก่ขันนอก แม้จะได้ผ่านไปเกือบตลอดคืนเห็นจะเป็นความตื่นเต้น ครู่หนึ่งก็เป็นปกติเราเปิดไฟในโบสถ์ให้ ยังไม่รู้จึงปลุกให้ลุกขึ้นพวกเราขอตัวพากันเดินออกจากโบด เมื่อรถเราถนนยังไม่ดีเขตธนบุรีผ่านบางแคไปได้ไม่ และซึ่งมีผู้รู้เห็นมากมายได้ประสบมาด้วยตนเองซึ่งมีผู้รู้เห็น ในชุดเรื่องจิตตานุปาทและวิญญาณสมบูรณ์ขึ้นและเป็นอนุสรณ์ ที่กําลังทุศโสมเป็นอนุสรณ์ต่อไปการเข้าทรง ในเรื่องที่ได้เกิดขึ้นแล้วเรื่องที่ได้เกิดได้เตือนมาว่าเรื่องวิญญาณหรือจิตานุภาพนั้นข้าพเจ้าถ้าเขียนขึ้นมาแยกจิตตานุภาพ ข้าพเจ้าได้พิจารณาด้วยสติปัญญาของตัวเองได้พินิจพิเคราะห์ก็มองเห็น พิจารณาดูแล้วทุกท่านแต่อย่างใดก็ดีมีเจตนาดีด้วยใจ จบบทความ